เรื่องการกะถินประมาณปีพุทธศักราช2490ยังอยู่ในพรรษากำนันตำบลนาใ น, านาได้นำจดหมายของในอำเภอพันนานิคมไปถวายท่านที่กุติผู้เล่าก็อยู่นั่นกราบเสร็จกำนันก็นำจดหมายน้อมถวายท่านยังม่รับถามก่อนว่านั่นอะไรกำนันกราบเรียนว่า ใบจองกระถิ่นของนายอำเภอพนานิคมรับกระผมท่านโบกมือไม่รับและกล่าวว่าอย่านำมาติดใส่วัดอัตมานะกำนันอย่าคืนทำนะกลับไปบอกนายอำเภอด้วยว่านายอำเภอเอาอำนาจที่ไหนจากใครมาห้าไม่ให้คนมาทำบุญที่นี้อัตมาไม่รับใครอยากทำบุญก็มาไม่มีใครห้ามจะมาจองไม่ให้คนมาทาบุญไม่ได้ไปบอกนายอำเภอด้วย กำนันนำความกลับไปชี้แจงให้ในอำเภอฟังในอำเภอยอมรับผิดให้กราบเรียนพระอาจารย์ด้วยว่าท่านไม่มีเจตนาล่วงเกินเพียงแต่เห็นคนทั้งหลายก็ทำกันอย่างนี้ก็ทำบ้างกำนันมากราบเรียนท่านว่าในอำเภอจะมาทำบุญดังที่ตั้งใจไว้ใครจะมาอีกก็ไม่ห้ามครับครับผมท่านก็ยิ้มกล่าวว่าในอำเภอคนนี้พูดจาก็าใจง่าย ต่อไปจะได้เป็นใหญ่เป็นโตสมจริงภายหลังปรากฏว่าท่านได้เป็นถึงอธิบดีกรมการปกครองปวารณาออกพิษาแล้วกระถิ่นกองต่างก็หลั่งไหลเข้ามาที่จำได้บ้านวงไข่อำเภอพนนิคมกองที่หนึ่งกองที่สองลืมกองที่สามเป็นบ้านวงไข่พระขาวนำมากองที่สี่ เป็นของในอำเภอต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าไปถวายกะถินท่านพระอาจารย์มั่นมีผู้มาถวายกะถินตลอดจนถึงเดือนสิบสองเพนล้วนแต่กองกะถินทั้งนั้นบรรดาพระสงฆ์สามเณรและผ้าขาวทำการเย็บตัดย้อมจีวรผลัดเปลี่ยนเพียงพอกันทุกรูปจนพรรษาสุดท้ายก็ เ, เป็นอย่างนี้ตลอดมามาเหต พระอาจารย์มั่นไม่รับเป็นภาพกะถินแต่รับเป็นภาพป่าบางสุกุลทั้งหมดและทำอย่างนี้ทุกปีจนท่านมรณภาพท่านไม่เคยรับกะถินและกรานกะถินเลยปีนั้นมีกองกะถินพิเศษอยู่หนึ่งกองอันเป็นกองที่ห้าเจ้าของกะถินชื่อเท่าแก่ไฮมีเชื้อชาติจีน คาคาอยู่บ้านคางหุงตำบลพอกน้อยอันเภอพ น, นานิคมทุกคนรู้จักดีโดยไม่มีใครทราบล่วงหน้ามาก่อนจ่านนำขบวนเกวียนบรรทุกเครื่องบริขารมาพักอยู่นอกบ้านตื่นเช้าพาคณะมาถวายบิณฑบาตเสร็จแล้วจึงขอนิมวลท่านพระอาจารย์รับกรถินท่านเตรียมตัวลงศาลาพร้อมพระสงฆ์แต่ลงไม่หมดทุกองค์เพราะบางองค์ไม่รู้ท่านก็ไม่ว่า พิธีกรนำรับศีลถวายทานเสร็จพิธีกรถามท่าแก่ว่าจะฟังเทศไหมท่าแกตอบฟังทาไมเทศให้ทานแล้วได้บุญแล้วเสร็จแล้วก็จะลากลับพระอาจารย์ยิ้มและกล่าวว่าถูกต้องแล้วโยมได้บุญมาตั้งแต่คิดจะทำแล้วเพราะประกอบด้วยปัญญาท่าแกให้ยังพูดอีกว่า ถ้าขอฟังเทศท่านเราไม่ให้ทานจริงเพราะขอสิ่งตอบแทนได้บุญไม่เต็มท่านอาจารย์ย้ำอีกว่าถูกต้องถูกต้องท่าแก่ผู้ถูกต้องท่าแก่ไฮก็กราบลาและลาชาวบ้านทุกคนเดินทางกลับตั้งแต่วันนั้นมาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่กุฏิหรือเที่ยวบินเบาทมักจะปรารบเรื่องท่าแกไฮเสมอว่าเขาทาถูก หลายปีผ่านไปหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นท่านมักจะปรารบเรื่องเท่าแก่ไยนี้เป็นตัวอย่างมายเหตุผู้อ่านต้องจับจุดสำคัญให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าการทำบุญแล้วฟังเทศเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ในที่นี้ท่านน่าจะหมายถึง การสละเงินทำบุญหรือซื้อของมาทำบุญเพื่อหวังจะได้ฟังเทศของท่านและในที่นี้เป็นการถามด้วยพิธีกรว่าจะฟังเทศไหมแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เป็นการเทศปกติคล้ายกับเป็นการเทศตอบแทนที่นำของมาถวายเข้าใจว่าถ้าไม่มีการถามและไม่มีการหวังทำบุญเพื่อได้รับสิ่งตอบแทนคือการเทศเป็นพิเศษให้กับคนที่มาทำบุญนั้น แต่เป็นการเทศตามปกติที่ครูบาอาจารย์ท่านตั้งใจเทศโปรดตามสมควรก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับที่ต้องหมายเหตุไว้ก็เกรงด้วยว่าถ้าคนไม่เข้าใจอาจจะเห็นว่าต่อไปถวายทานพระเสร็จแล้วก็ให้รีบกลับไม่ต้องอยู่ฟังพระเทศซึ่งความจริงเข้าใจว่าเน้นไปที่การทาบุญอย่าวังผลแม้แต่ผลนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีคือการหวังจะให้ท่านเทศให้ฟังก็ตาม